ตอนจลิตที่แตกต่างกันวันที่28มิถุนายน2558การนมัสการพระคุณเจ้าสา ม, มนเณรคุณเม่ชีกลรยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นทุกคืนวันอาทิตย์นะก็บังเอิญวันนี้มีคำถามนะ พ ก, กูก็ลงในคำถามเลยจะได้ไม่ท้องเสียเวลา ก, ก่อนจะเข้าคำถามมันมีคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอมุ่งไปที่พุทธศาสนาโดยตรงนะพระ ก, กูเขาเกินก่อนจริงๆแล้วพระพุทธองค์เนี่ยได้พูดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าอย่าเพิ่งเชื่อตาลาตำลา เป็นรอยเล่มอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าพึ่งเชื่อคําเล่าขานอย่าพึ่งเชื่อที่ทำตามพระองค์รู้พระองค์ล็อกไว้ล่วงหน้าแต่ทุกวันนี้ก็ทุกคนก็อ้างตำราอ้างคําพูดพระุทธเจ้าแล้วก็มาขัดแย้งกันอย่าว่าแต่ยุคเรานี่นะผ่านไปสองพันกว่าปีสมัยพุทธกาลเองเนี่ย ก็มีการขัดแย้งทางความคิดแม้กระทั่งพระพุทธองค์นั่งอยูนะ่ก็ยังมีเทวทั์อีกล้านปีข้างหน้ามันก็เป็นแบบนีนะ้พระองค์รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็พยายามตัดป้องกันไว้ก็ก็ยังป้องกันเท่าที่ป้องกันได้นะก็จบที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไ ป, นปนตามกรรมนะคำถามแรก ขราพเียนพระครูที่เคารพอย่างสูงขอถามเลยนะคะทางสายกลางของแต่และคนย่อมไม่เท่ากันแต่เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันและต้องการหาทางสายกลางเช่นเลขหนึ่งถึงเลขหทางสายกลางคือเลขสแต่ผลของการปฏิบัติบางคนอาจทำได้สองหรือ3หรือ 3.3 ส แบบนี้ถือว่าเป็นทางสายกลางหรือเปล่าคะหรือว่าทุกคนต้องทำให้ผลได้ออกมาเป็นสามพอดีถึงจะเป็นทางสายกลางอันนี้คงเป็นนักขณิตศาสตร์เนาะ <c oughs> ไม่มีอะไรจะถามเนาะ <c oughs> คำว่ากลางคือพอดีพอดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่มีตัวเลขแบบนี้นะ คนตัวอ้วนหน่อยกินสามชามอิ่มพอดีคนกลางๆ ก, ก็กินสองชามอิ่มพอดีคนตัวเล็กก็กินชามหนึ่งอย่าไปเถียงกันว่าทำไมกินมากกินน้อยทุกคนต้องมีสต mm. ิว่าความพอดีของตัวเองอยู่ที่ไหนนะไม่ใช่ไปคำนวณแบบตัวเลขแบบนี้นะเพียงแต่ว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเห็นมเราต้องบางอย่างเกี่ยวกับเรื่ององค์รวมของของแฟมิลี่เนี่ย เราก็ต้องหาความพอดีของของส่วนกลางนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของส่วนตัวแล้วเนี่ยทุกคนมีความพอดีของตัวเองไม่เท่ากันที่พ่อครูพูดตลอดว่า <c oughs> ยกตัวอย่างที่ว่า ง, ง่ายๆเห็นภาพชัดๆว่าน้ําใสแก้วหนึ่งเนี่ยเราเอาใายลงไปมันก็อยู่ข้างล่างเอาน้ํามันลงไปก็ลอยอยู่ข้างบนเอาเกลือลงไปก็อยู่ตรงกลางทั้งหมดนี่อยู่ในแก้วใบเดียวกันนะ ต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยลูกฝาแฝด DNA เหมือนกันคนนี้ขี้แย่คนนี้ไม่ขี้แย่คนนี้ไอคสูงไอคิวต่ำตั้งแต่เกิดมันก็ไม่เท่ากันละไม่ต้องไปไปไปแลกอะไรไล่ะไปเรียนแบบนะโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยพระเจ้าไม่เคยสอนให้เราเท่าเทียมกันหรือเหมือนกัน ศาสนาพุทธสอนให้เรายอมรับในความแตกต่างคนที่เหนือกว่าเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่าเราอยู่ด้วยกันได้นะเพียงแต่ว่า <c oughs> สมมติว่าภรรยาเนี่ยชอบดูหนังไทยสามีชอบดูหนังฝรั่ง <c oughs> คนนี้เปิดปุ๊บคนนี้มาปิดคนนี้เปิดปุ๊บคนนี้มาปิดมันก็ทะเลาะ ก, กันนะก็ <c oughs> <c oughs> พบกันครึ่งทางเอยวันนี้ดูหนังไทยพวกนี้ดูหนังฝรั่งก็นั่งดูด้วยกันนะ ยอมรับในความแตกต่างนี่คือการให้ไม่เชี่ยวตัวเองเป็นที่ตั้งนะความสายกลางคือพอดีแต่และคนไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นองค์รวมส่วนรวมเนี่ยนะเราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะก็ต่างคนต่างมีเมตตาซึ่งกันและกันบางทีก็เขาดูหนังไทยบ้างเราก็นั่งเป็นเพื่อนเขาเพราะเราถึงเราไม่ชอบหนังไทยกระชัางแต่เพราะเรารักเขาเราก็ ให้ความสุขเขาหน่อยพอวันนี้เขาดูหนังฝรั่งเราไม่ชอบหนังฝรั่งเราก็นั่งเป็นเพื่อนเขาเพราะเรารักเขานะทุกวันนี้มันรักกันยังไงไม่รู้รักตัวเองมากกว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะจริงๆแล้วไอ้คำตอบแบบนี้เนะี่ยคถามแบบนี้ไม่ต้องไปเสียเวลามนะันดีกว่าเวียงทิ้งขัดเก่าไปเรื่อยๆเอาขี้สงสัยให้มันหมดไปไม่ใช่ไปแก้ที่หายสงสัย เขาก็มันสงสัยนะสงสัยพราะครูเนี่ยมันสงสัยจนมันนอนไม่หลับไงถ้ามันหายสงสัยแล้วมันก็มีความสุขกิเลสมันสอนให้เราคิดแบบนั้นนะพอหายสงสัยแล้วไอ้ตัวขี้สงสัยเหมือนเราเอาอาหารให้มันกินมันก็มีกำลังมากขึ้นพวกนี้มันสงสัยเรื่องอื่นอีกเราต้องแก้โดยไม่สงสัยไม่ใช่แก้โดยหายสงสัยความลังเลสงสัยนั้นนะ มันเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตนะเพราะพวกเราถูกสอนให้เป็นคนขี้สงสัยนะทำไมเมื่อไหร่วันไหนหรือว่าอะไรคือคือคื อ, คอเราเราถูกสอนให้เป็นเป็นอย่างนั้นมาตลอดก็กลายเป็นกิเลสเรานะเอาเป็นว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตให้ผ่องใสคือล้างมันทิ้งซะนะ ก็คำถามต่อไปสมาธิคืออะไรตอนที่เรานั่งหมุนๆตัวไปเรื่อยๆได้ทั้งชั่วโมงมีความคิดบ้างอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิหรือไม่สมาธิแปลว่าตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทำอะไรก็ช่างเราขับรถเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับการขับรถ ไม่ใช่ขับไปด้วยฟังโทรศัพท์ด้วยคิดด้วยพูดด้วยไอ้ น, นี้สมาธิหลุดเพราะมันเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เพราะความอยากของเราเนี่ยทำแต่ละเวลาเนี่ยทำหลายเรื่องนะมันก็มันไม่มีสมาธิสติก็ไม่เกิดโอกาสพลาดพังก็มีนะส่วนเราเวียงเราหมุนอย่างนี้เนี่ยเราก็ตั้งมันอยู่การหมุนส่วนความคิดเนี่ยมันยังเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของกิเลสก็ปล่อยมันคิดไป สำคัญว่าเราอย่าไปเผลอคิดตามมันนะเราคือจิตตัวรู้เรามีหน้าที่ทำอะไรเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับมันส่วนความคิดนั้นมันเป็นกิเลสความเคยชินเรามันเป็นกรรมที่เราสร้างเราเป็นนักคิดมันก็ต้องคิดนะอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันคิดไปเลยอย่าเผลอไปคิดตามมันเท่านั้นเองถ้าเราเผลอคิดตามมันปุ๊บเราละเลยหน้าที่ แทนที่จะทําหน้าที่อยู่กับการสมมติว่าเร า, เราใช้วิธีอริยบทหมุนยืนหมุนอย่างนี้นะหน้าที่เรามีอย่างเดียวคือหมุนพอมันคิดปุ๊บเราก็ไปเผลอคิดตามมันเนี่ยคือเราคอร์รัปชั่นหน้าที่สมาธิเราหลุดนะคือตั้งมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละคือสมาธิปฏิบัติแบบอาณาปณสติมาตอนนี้ลองมาปฏิบัติแนวนี้พอนั่งหมุนหมุน มันก็ช้าลงแล้วกลับมานิ่งๆต้องทำอย่างไรดีคะก็หมุนต่อไปคนที่ไปคุ้นเคยที่ฝึกจับลมหายใจแล้วก็ไปกดให้มันนิ่งมันก็ได้ความสงบชั่วครู่นะอันนี้สูงสุดที่เขาเรียกว่าเจริญสมาธิก็เข้าไปถึงฌานสูงสุดคือฌานสี่คือเอกขตาลมแต่บางทียังไม่ถึงฌานสี่หรอกเนาะเข้าไปในฌานของจิตเท่านั้นเองแล้วก็ไปกดมันไว ความคิดอารมณ์ต่างๆมันก็กระทบเราไม่ได้แล้วก็รู้สึกสงบเราก็ได้สงบชั่วครู่แต่ปัญญาไม่เกิด น, นะทีนี้พอเราคุ้นเคยฝึกกับนั่งนิ่งๆพอวิเวียงปุ๊บเผลอปุ๊บมันก็ไปตามความคุ้นเคยนั่นคือกิเลสคือความเคยชินเรามันก็ไปนิ่งอีกมันติดนิ่งไงนะครูบาอาจารย์เนี่ยตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาหลวงพ่อชาเราก็เตือนอยู่มือม่อเมื่อจะถือศีล น, นั่งสมาธิมันจะไปไหน ท่านไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีถามว่ามันจะไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละก็ไปติดสุขในฌานไปติดความสงบนะเหมือนสปริงเราก็ไปกดมันไว้นะกดมันไว้กดมันไว้ตอนที่เราตั้งใจกดมันก็อยู่นะเวลาเราใช้สมาธิกดมันไว้เนี่ยนะเรามีที่เกาะเราก็เลิกคิดเราวางความคิดเราก็ว่างเราก็เกิดความสงบชั่วครู่พอมีอะไรลูกตัตตมาชนปุ๊บสปริงก็เด้งผางอีก เห็นไมไม่ว่าปฏิบัติมาสามสี่สิบปีแหะถ้าไปกดอยู่ตรงนั้นน่ะโอกาสเพราะสปริงมันยังอยู่ถ้าเราเข้าวิปัสสนาเนี่ยเราต้องดูว่าต้นเหตุมันคือมีสปริงเราก็ทำลายสปริงซะนะทำลายมันเมื่อสปริงถูกทำลายแล้วก็เป็นเหล็กเส้นหนึ่งไม่ต้องกดไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็สงบตลอดการนะต้องให้เกิดปัญญารู้ว่าต้นเหตุมันคืออะไรไม่ใช่ไปนั่งกดมันไว ช่วงเตรียมความพร้อมตอนนอนมีเสียงพ่อครูเจริญมรณานุสติช่วงนี้ควรคิดตามเสียงพ่อครูหรือนอนสมาธิเฉยๆนะไม่ต้องคิดตามเสียงพ่อครูและก็ไม่ต้องนอนสมาธิด้วยนะคำว่าสมาธิเราจะคุ้นเคยว่าเราฝึกสมาธิถ้าเราฝึกสมาธิเราต้องมีการกําหนดกําหนดลมหายใจเข้าออกตั้งชื่อว่าพุโทโธเอ่อตั้งชื่อว่า ทมโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นอุบายวิธีในการฝึกสมาธินะแต่ตอนที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยหรือว่าตอนเช้าที่เราพิจารณาโมรณานุสติเนี่ยเราไม่ได้ฝึกสมาธิเราก็นอนเฉยๆนะแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าเราต้องตายเวลานี้เนี่ยเราพร้อมไหมฮขาเรียกว่า มันเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งแต่มันเอาความตายเนี่ยมาเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสติเรียกว่ามรานาุสตินะเรื่องนี้พระพุทธองค์บอกว่าต้องต้องทบ่อยๆนะคือพกครูพูดเน่เราก็ดินสักแต่ว่าได้ยินได้ยินปุ๊บเข้าใจก็ผ่านไม่เข้าใจก็ผ่านไม่ต้องคิดเพิ่มเติม ถ้าคิดเพิ่มเติมปุ๊บเรามีการกระทําเกิดขึ้นคือมโนกรรมมันก็ปุงแต่งแล้วนะคือไม่ต้องทําอะไรฟังพระครูเดี๋ยวนี้เหมือนกันฟังปุ๊บเข้าใจพอมันนี้เข้าใจปุ๊บมันก็ปลดเปืองปลดเปือกอะไรทั้งที่เราลังเลสงสัยเราไม่เข้าใจนั่นก็ทิ้งถ้าไม่เข้าใจก็ผ่านอย่าไปจําไว้และอย่าไปคิดเพิ่มเติมนะสักแต่วะได้ยินสักแต่วรู้สักแต่ว่าเห็น ถ้าคิดเพิ่มเติมปุ๊บนี่มันเป็นการปรุงแต่งแล้วส่วนมากตามธรรมชาติเราจะคิดตามกิเลสตัวเองคิดตามภาษาที่เราบันทึกเป็นสัญญาไว้มันจะไม่บริสุทธิ์นะเอาเป็นว่าเสียงพ่อครูพูดก็สัตว์แต่ว่าได้ยินจิตมันได้ยินปุ๊บมันจะเข้าใจก็คือเข้าใจถ้ามันเข้าใจปุ๊บเกิดสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้ามันไม่เข้าใจปุ๊บก็ผ่าน อย่าไปจำมันแล้วอย่าไปคิดเพิ่มเติมนะจำมันปุ๊บกลายเป็นขยะนะเป็นความรู้ไม่ใช่ความรู้เกิดจากเราความรู้ซึ่งเกิดจากเราไปเรียนแบบคนอื่นเหมือนเราอ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกนี่นะอ่านปุ๊บก็ไปจำจำจำแล้วก็เอามาทะเลาะกันเอาภาษามาตั้งโจทรสัมบตีความไม่เหมือนกันทะเลาะกันอย่างนี้เนะี่ยมันไม่ใช่ปัญญาไม่มีแค่ขยะ ก็มีคนพูดว่าสมาธิเหวี่ยงไม่พ้นทุกข์เพียงแต่ผ่อนคลายความเครียดเท่านั้นเองก็ความเครียดนี้ทุกข์ไหมเวลาเรามีความเครียดมันทุกข์หรือมันสุขถ้าบอกว่ามันทุกข์ ก็ผ่อนคลายความเครียดก็ผ่อนคลายความทุกข์ไปแล้วเบื้องต้นมันไม่มีเลยเสียหายถามว่ามีสมาธิไหนบ้างที่มันทําให้เราพ้นทุกข์ไม่มีไม่มีแม้แต่หนึ่งสมาธิสมา ธ, มาธิวิธีไหนก็ช่างทําให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้แต่มันเป็นเครื่องมือเดินทางเพื่อมุ่งสู่การพ้นทุกข์เป็นหนึ่งในมรรคมีองค์แปดอันนี้เราไปติดสมาธิฝึกสมาธิ ว, ธวิธีนั้นวิธีนี้ก็ไปติดวิธีนะ วิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีคนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทำไม่ดีเป้าหมายในการทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าวิธีการทำมันไม่ดีคือวิธีการต้องถูกต้องคนทำก็ต้องขยันด้วยต้องมุ่งมั่นต้องมีศรัทธาเป้าหมายก็คือถ้าเราเป้าหมายว่าจะเป็นผู้วิเศษพอเราเข้าไปในจิตปึ๊บไปถึงได้ดีชาติเราเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เราก็ไปหลงมันอีก อันนี้ก็ไม่ดีเป้าหมายมันไม่ดีมันไม่ใช่ทางพ้นทุกบางคนมีเป้าหมายดีฉันปฏิบัติเพื่อนิพพานอย่างเดียวพ้นทุกอย่างเดียวก็ถูกต้องแล้วแต่ไม่ยอมกระทําเป้าหมายดีแค่ไหนก็ไม่ดีเท่าวิธีการไม่ดีนะวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทําไม่ดีมันต้องไปด้วยกันหมดนะมันไม่มีแม้แต่หนึ่งสมาธิว่าเธอปฏิบัติสมาธิแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยเธอจะพ้นทุกมันไม่มีมีแต่ว่าสมาธิน เป็นตัวสตาร์เตอร์เป็นตัวบิกินนิ่งเป็นตัวเริ่มต้นเท่านั้นเองที่พ่อกูพูดเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าเราต้องใช้เครื่องมือนะโพธิปักขียธรรมสาิบเประการเราต้องใช้สติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเทวดาทมไม่ได้เพราะเทวดาไม่มีกายมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นที่เราทําได้เห็นไหมเรามีสติปัฐานทั้งสี่นะ ฐานที่ตั้งทั้งสี่คือกายเวทนาะจิตธรรมแล้วก็ต้องใช้อิทธิบาทสี่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสากับสิ่งที่เราดำเนินสัมารถประทานสี่มีความสำรวมระวังไม่ให้อกุศลใหม่มันเกิดขึ้นนะเพียนสร้างเพียละอกุศลที่มีอยู่แล้วให้มันหมดไปอันนี้คือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแล้วก็เพียนสร้างคุศลใหม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สารวมระวัง อยากให้กุศลที่มันมีอยู่แล้วหมดไปนี่คือสมมัติประธานสนะสติประธานสี่อิทธิบาทสสมมัติประธาน4นีน4่4สีมม่สแล้วก็ต้องใช้อินรี่ห้าพหัละหซึ่งเรามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คืออินรี่ห้านะต้องใช้มันใช้มากๆ เมือเราออกกําลังกายมากๆเราก็แข็งแรงขึ้นยิ่งใช้ปุ๊บพละหา้าพละกําลังมันก็มากขึ้นยิ่งพละกําลังมากขึ้นเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นนะการเจริญมรรคเนี่ยมันก็ต้องเนี่ยใช้อินรี่ห้าพละหา้าอินทรี่ห้าคือมีต้องมีศรัทธากับสิ่งที่เราทําเมื่อเรามีศรัทธาปุ๊บเราก็มีวิริยะมีความพอใจมีมีมีความขยันเ พ, เพราะเราชอบมันนะเพราะเราศรัทธาแต่ถ้าเราไม่ศรัทธาถูกบังคับให้ทําเนี่ย แล้วก็เอ้อเราเหย อ, อยู่แค่คิดเฉยก็เหนื่อยแล้วเห็นเราก็ต้องใช้ศรัทธาแล้วก็มีวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เรามีอยู่แล้วนั่นมันก็ผุดขึ้นมาเอามันมาใช้ไม่ใช่ไปฝึกสติไม่ใช่ฝึกสมาธินะมัวแต่ฝึกสมาธิสติตรงนั้นแหละมันก็อยู่ที่สมาธิอยู่ที่สติเพราะคุณเน้นบ่อยๆแต่ว่า ไม่รู้มันเกิดมาเป็นกี่สิบปีหรือเป็นร้อยปีพ่อครูไม่รู้พ่อครูเพิ่งมารู้เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยแค่ยี่สิบหกปีนะแต่อัที่สอนสอนกันอยู่เนี่ยไปไหนไปปฏิบัติธรรมตามไปดูรับพึกสมาธิจเจริญสติไปอยู่แค่สติสมาธินะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนวิชาใดๆทั้ทงนั้นเราเกิดมาเดินทางต่อนะ มักคือทางเดินเมื่อมุ่งสู่การผลทุกข์แต่ตอนนี้ก็ไปจบอยู่สติสมาธิเพราะครูเน้นแรงๆเลยนะโจรก็มีสมาธิโจรก็มีสติไม่งั้นเขาป้นไม่สําเร็จนะเขาต้องใช้สมาธิใช้สติมากกว่าเราด้วยแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญามันก็ใช้สติสมาธินั้นไปเบียดเบียนคนอื่นนะมันก็เป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเอาเป็นว่าการปฏิบัติธรรมไม่ไม่ได้อยู่ที่แค่ฝึกสติฝึกสมาธิ การปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคผลนิพพานส่วนการเจริญมรรคต้องใช้สติปัฏฐานสี่อิทธิบาท 4, สี่สามัคคีฐานสี่อินทรี่ห้าพละห้าเมื่อสติปัฏฐานสังสีนี่เขารวมกันแล้วเราเข้าไปในจิตในจิตได้แล้วเราก็ไปเสพธรรมในธรรมธรรมลมนั้นบันทึกในรูปของกรรมดีกรรมชั่วเป็นประสบการณ์อย่างยิ่งโพชฌงเจ็ดก็อยู่ในนั้นถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตนี่เราไม่สามารถไปเสพโพชฌงตรงนั้น พโฉงคืออะไรสติสัมพโฉชงวิริยะสัมพโฉชงธรรมะวิจยะสัมพโฉชงปัสัตธิสัมพโฉชงภาษาเหล่านี้ไม่ต้องรู้ก็ได้นะมันเป็นภาษาวิชาการทางพุทธศาสนานะพังเข้าๆอันนี้คาว่าพโฉชงคือมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติของจิตเราฝึกมาหลายชาติแล้วเราเข้าไปเอามาต่อยอดนะ พ่อชงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้สมบูรณ์ไม่ใช่ไปเจริญสติเจริญสมาธิทุกวันนี้การปฏิบัติธรรมเป็นแค่อยู่แค่สติสมาธิมันก็อยู่ตรงนั้นมัไม่ไปไหนนะก็อย่าไปติดที่ว่าไปถามว่าปฏิบัติสมาธิแบบไหนสมาธิแบบไห น, บบไหนที่นี่ไม่มีแบบนะ วิธีพ่อกูเนี่ยเป็นแบบไหนไม่มีวิธีไม่มีวิธีทุกคนไม่เหมือนกันหมดไม่ใช่มาจับให้ทุกคนไปขึ้นสายพานลําเรียงเป็นอุสาหกรรมธรรมะอย่างนั้นน่ะเราไม่ได้สอนอะไรเลยนะทุกคนมาเจริญมรรคด้วยกันมรรคผลนิพพานอันนี้เราไปติดปฏิบัติธรรมก็สมาธินั้นสมาธินี้มันเป็นอุบายเป็นเทคนิคมันไม่ได้ผิดแต่ถ้าไปหลงมันเมื่ อ, อไหร่เนี่ยมันเป็นความชั่วลาสอย่างยิ่ง มันก็ปิดติดก็ไปเข้าใจว่านั่นคือปฏิบัติธรรมแค่ไปฝึกสมาธิยกตัวอย่างว่าเราเป็นนักกีฬาทีมชาติเราอยากเป็นแชมป์ตื่นเช้ามาตีสี่เราไม่อยากตื่นเลยเพราะเราอยากเป็นแชมป์เราก็อุตส่าห์ตื่นมาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งผลคือยังไงเราก็แข็งแรงเราก็แข็งแรงร่างกายแข็งแรงแต่พอไปแข่งปุ๊บเกิดแพ้ปุ๊บฆ่าตัวตายด้วยเพราะจิตไม่แข็งแรง คือคื อ, คอกีฬาเป็นยาวิเศษเป้าหมายคือเราทําเพื่อเราจะแข็งแรงเราเป็นยาวิเศษตอนนี้เป้าหมายเพื่อฉันจะเป็นแชมป์พอไม่ได้เป็นแชมป์ก็เลยฆ่าตัวตายร่างกายแข็งแรงจิตไม่แข็งแรงเห็นไหมเหมือนสติเหมือนกันเราฝึกสติฝึกสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาปุ๊บเราก็ใช้สติสมาธิเนี่ยไปสร้างกรรมไปเบียดเบียนคนอื่นกับตัวเองเหมือนเราเอากําลังแข็งแรงเราเนี่ยแหะไปรังแกคนอื่นอย่างนี้ไม่ต้องแข็งแรงดีกว่านะเราก็ไม่ต้องไปสร้างกรรมไง บางทีเราหลงประเด็นนะตอนนี้กลายเป็นว่าการปฏิบัติทมอยู่แค่ฝึกสติฝึกสมาธิอันนี้จึงเป็นความเข้าใจผิดก็คำถามต่อไปนะอันนี้ก็คำถามสุดท้ายนะบังเอิญมันเกี่ยวกับเรื่องทางพุทธศาสนาหน่อยหนึ่งพวอครูก็ก็ดูข้อมูลแล้วก็บันทึกมา พูดให้พวกเราฟังนะไปเรียนรู้หลายสำนักบางสำนักก็กินเจบางสำนักก็กินมังสวิรัติแต่ละสำนักก็มีเหตุผลของตัวเองพ่อครูคิดอย่างไรกับเรื่องอาหารพ่อครูไม่ได้คิดพ่อครูพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะหลายปีก่อนมีลือศรตนหนึ่งมาที่นี่ พระอาจารย์มหาศรีภัยซึ่งเป็นสาธรมรมิกปกักคูยี่สิบกว่าปีก่อนมาอยู่กับพระคูสามปีนะท่านมาปฏิบัติที่นี่แล้วก็ท่านพาฤาษีตนหนึ่งมาที่นี่เห็นเขานั่งคุยกันฤาษีว่าเป็นฤาษีดีกว่าอิสระไม่ต้องมีวินยัยไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้นะพระอาจารย์มหาว่าเป็นพระดีกว่าพูดเสียงดังโยงเขาศรัทธาอยู่แล้วนะต่างคนต่างว่า เป็นหรือสีดีคนนี้บอกเป็นผ้าดีมาถามพระคู่พระคูบอกเป็นอะไรดีพ่อคูบอกเป็นอะไรก็ไม่ดีเบี่ยงทิ้งเป็นก็คืออัตตาไงส่วนมันสมมุติว่าเออคนนี้เป็นอาชีพเป็นไม่ชีเป็นอะไรก็เป็นเป็นแค่สมมุติอย่าไปนี่ไปเถียงกันว่าเป็นนั่นนี้ดีกว่านั้นคือไปสร้างอัตตาให้ตัวเองเป็นอะไรก็ไม่ดีนะเรามามาปฏิบัติเพื่อเลิกเป็น ที่นี้ท่านฤือีตนนั้นก็ถามว่าพ่อคูกินเจไหมบอกไม่พ่อครูกินมังสวิรัติไหมบอกไม่พ่อครูกินเนื้อสัตว์ไหมบอกไม่พ่อครูกินอะไรบอกพ่อครูกินอาหารแกร้องสุดยอดเลยลือศีบอกว่ากินอาหารทำไมต้องสุดยอดก็กินอาหารกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินอย่าไปติดนะ นะเรื่องนี้นก็เกี่ยวกับคําถามนี่แหละที่ถามในพวกครูเนี่ยนะทีนี้เรื่องนี้ก็คือหลายลทัทธินิกายเนี่ยเขาใช้อุบายไม่เหมือนกันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเกิดว่าทําไมทํามาเป็นหลงอุบายนั้นแล้วก็โปรโมดว่าอุบายนั้นดีถ้าเธอไม่ทําเหมือนฉันเนี่ยเธอไม่ดีทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นแหละในยุคนี้เป็นอย่างนี้นะทีนี้หลายคนก็ทุกข่ายล่ะ ก็อ้างคำสอนพระเจ้าทั้งนั้นแหละแต่ไปเอาประเด็นหนึ่งนะซึ่งตัวเองชอบซึ่งมันตรงออกับสิ่งที่ตัวเองทำทำก็ทำไปไม่ได้ผิดมันเป็นอุบายเป็นเทคนิคบางคนชอบกินเนื้อสัตว์ไปติดลถมันอ่ะมากินมังสวิรัตเพื่อจะลดละเลิกรูปรถกลิ่นเสียงดดใช่มลดติดรถใช่มเออบางคนไปกินเจก็ไม่ผิดอะไร เรากินตามธาตุเรานะนะเขาเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนนะเลือดของแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันบางคนกินตัวนี้เนี่ยมันแพ้บางคนกินตัวนี้ไม่แพ้เราก็เลือกอาหารที่มันเหมาะกับเราท่านนั่นเองแต่ทีนี้เนื่องจากเราใช้อุบายทําไปทำมาก็ไปหลงอุบายนะก็ไปชูธงอุบายนั้นกลายเ ป, เป็นเป้าหมายก็เลยขัดแย้งกันขึ้นนะอันอย่างนี้พอครู ก, ก็เลยถือโอกาสเนี่ยก็ อยู่ในพัะปลิยิดกเล่มเดียวกันนะั่นแหละนะทีนี้เรื่องอาหารเนี่ยใน40กองกรรมฐานผู้เจ้าก็เอาเรื่องอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาแต่พระองค์ให้พิจารณาอาหารในใ น, ในยะที่ว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลไม่ให้เราไปหลงติดมันกินแค่มันอิ่มไม่ใช่กินที่มันอร่อยมันเป็นสิ่งปฏิกูลพ ร, พระองค์เน้นแค่นั้นเอง นะแต่ทีนี้มันก็มีหลายลัทธิที่เขาตั้งขึ้นมานะพระครูก็รู้ครูบาอาจารย์สมัยโบราณเขาตั้งขึ้นมาเขามีในยะของเขาแต่พอมารุ่นหลังๆปุ๊บนี่ยเขาไปติดอุบายนั้นกลายเป็นยึดมั่นถือมั่นในอุบายนั้นก็ไปขัดแย้งกับคนอื่นที่เขาไม่ทำตามเรานะทีนี้พระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงห้ามภิกษุฉันเนื้อต่างๆคือ หนึ่งเนื้อมนุษย์สองเนื้อช้างสามเนื้อมาสี่เนื้อสุนัขห้าเนื้องูหกเนื้อลาชสีเจ็ดเนื้อเสือโค่งแปดเนื้อเสือเหลืองเก้าเนื้อหมีสิบเนื้อเสือดาวเอาแค่คำพูดตรงนี้เนี่ยถ้าเรามานั่งถกกันอีกว่าทำไม ทำไมเนื้อสิบอย่างนี้ถึงไม่ให้บริโภคถึงไม่ให้ฉันพระไตรปิฎกก็ไม่อธิบายอีกทีนี้เราก็เถียงกันอีกเห็นไแต่ถ้าถามพระครูว่าทำไมพระองค์ตัดอย่างนั้นเนี่ยสิบชนิดที่พระองค์แสดงออกมาเนี่ยพระครูมองเข้าไปในจิตอย่างราชสีเสือเนี่ยทั้งหมดสี่ชนิดนี่นะสลีละร่างกายเขาเล็กกว่าช้างเขาเร็กกว่าแรน เขาเล็กกว่าสัตว์หลายอย่างเนี่ยแต่เขาทำไมเป็นเจ้าป่านะเป็นจิตที่มีพลังนะใกล้เคียงมนุษย์ด้วยทีนี้คาว่างูเนี่ยงูบวกกัพยาน่ากับมังกร น, นี่คือตระกูลงูหมดอันนี้จิตเขาจำสินนะคือเป็นจิตระดับสูงนะโดยเฉพาะเนื้อมนุษย์เนี่ยหมายถึงว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ถ้าเราไปฆ่าเขาไปกินเนื้อเขาเนี่ยจิตเขาบันทึกสัญญาได้สัตว์สิบชนิดนี่บันทึกสัญญาได้หมดนะท น, นี้มีอย่างห น, นึ่งนี่มีข้อหนึ่งที่ว่าพระ อ, องค์ห้ามเนื้อมานะบ้านเราบอกออมา้ากัวควายอะไรเนี่ยมันเหมือนตระกูลเดียวกันนะแต่ทีนี้ห้ามเนื้อมากัวนี่ไม่ได้ห้าม แต่เป็นสัตว์สี่เท้าเนี่ยเราสังเกต ด, ดูมาเขาจูงมันเข้าไปลงค่าสัตว์ก่อนถึงโลงค่าสัตว์มันจะน้ำตาไหลอินเดียมีลทัทธิหนึ่งพวกฮินดูเนี่ยเขาไม่กินเนื้อวัวเราไปอินเดียเนี่ยเดินเป็นเจ้าถนนเลยนะเขาก็มีนัยยะของเขาอันนี้อันนี้พ่อครูให้ข้อคิดนะตอนอยู่อเมริกาเนี่ยอาหารจานโปรดของพ่อครูคือทีบองสเต็ก ทุกอาทิตย์อ่ะเขาต้องไปกินนะมันกลายเป็นความเคยชินเรอแต่พอเกิดอาการที่จิตมันเปลี่ยนพวกครูกินไม่ได้เข้าใกล้ก็ไม่ได้ด้วยคือกลิ่นมันแรงมากนะแต่เรื่องนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเรื่องกินอะไรกินอะไรเนี่ยสำหรับพวกครูนะเอาเป็นบรรทัศนไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะแต่นี้เนื่องจากมันเป็นคำถามซึ่งเกี่ยวกับศาสนาด้วยเพราะกูก็เอ า, เอาที่พระไตรปิฎกที่พระองค์แสดงนะคือเนื้อสิบชนิดนอกจากนี้แม้จะทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ฉันเนื้ออื่นๆนอกเหนือจากเนื้อสิบอย่างดังกล่าวมาแต่ก็ทรงกาหนดเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรู้อยู่ไม่พึงฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจงรูปใดฉันนะถ้าเขาทำเจาะจงมาให้เราเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ควรฉันต้องอาบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตปลาเนื้อเป็นของบริสุทธิ์ด้วยอาการสามอย่างคือหนึ่งไม่ได้เห็นสองไม่ได้ยิน สามไม่ได้นึกสงสัยกินแค่เป็นอาหารอันนี้ตกที่ว่ากรรมชี้เจตนาแต่ถ้าเราไปสั่งเขาว่าเออพรุ่งนี้ฉันจะฉันปลานะเอาปลาให้ฉันหน่อยอันนี้ทำไม่ได้เรื่องนี้ทะเลาะ ก, กันทุกวันนี้สายที่เขากินมังสวิรัติเขากินเจอะไรอะไรก็ด่ากันไปด่ากันมานะสมัยพุทธกาลก็มีนะเดี๋ยวพอ ก, กูก็เรียงลดับให้ฟังนะ ก็อยู่ในพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกนะจุลวั์นะเรียกว่าปัญจวัตถุยาจนะกาว่าด้วยพระเทวทัตกราบทูลขอวัตถุห้าประการพระเทวทัตกราบทูลขอวัตถุห้าประการพระเทวทัตกล่าวว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดม แล้วทูลขอวัตถุห้าประการว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคจัดสสรรเสริญความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลวความกำจัดอาการหน้าเลื่อมใสการไม่สะสมการปาลบความเพียรโดยประการต่างๆวัตถุห้าประการเหล่านี้ ก็เป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษความขัดเกาความกําจัดอาการหน้าเลื่อมใสการไม่สะสมการปารบความเพียรโดยประการต่างๆข้าพุทธเจ้าขอประทานว่าโลกาดังนี้อันนี้พระเทวทัตไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าหนึ่งภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดเข้าบ้านภิกษุรูปนั้นมีโทษ 2. ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบินทบะตลอดชีวิตภิกษุรูปใดยินดีกินิมน์ภิกษุรูปนั้นมีโทษ 3. ภิกษุทั้งหลายควรถือผ้าบางสกุลตลอดชีวิตภิกษุรูปใดยินดีผ้ากะหาบดีภิกษุรูปนั้นมีโทษ สภิกษุทั้งหลายควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตภิกษุรูปใดอาศัยที่มงุงที่บังภิกษุรูปนั้นมีโทษหภิกษุทั้งหลายไม่ควรฉันปลาและเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตภิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อภิกษุรูปนั้นมีโทษมันเป็นห้าข้อที่ เขาขอพุทธเจ้านะทีนี้เขาก็พูดต่อว่าพระสมณโ ค, โคดมจะไม่ทรงอนุญาตวัตถุห้าประการนี้แน่พวกเราจะได้ใช้วัตถุห้าประการนี้ชักชวนให้ประชาชนเชื่อถือพวกเราสามารถที่จะใช้วัตถุห้าประการเหล่านั้นทําลายสงฆ์ทำลายจักของพระสมณโคดมได้ เพราะยังมีพวกมนุษย์ที่เลื่อมใสในการปฏิบัติปอน ป, อนปอนนะเขารู้ทั้งรู้ว่าเขาขอพระเจ้าคงไม่เห็นด้วยนะทีนี้เขาจะเอาตัวนี้ะเป็นโฆษณาว่าพระผูเจ้าเนี่ยเป็นคนไม่ใช่มักน้อยสันโดษจริงๆนะทีนี้เพราะผู้มีพระภาคเจ้าตัดห้ามว่าอย่าเลยเทวทัตภิกษุรูปใดปัถนาก็จงอยู่ป่าเถิดภิกษุรูปใด ป่าธนาก็จงอยู่ในละแวกบ้านเถิดพิกษุรูปใดป่าถนาก็จงเที่ยวบินทบาตเถิดภิกษุรูปใดป่าถนาก็จงยินดีกิจนิมนตเถิดภิกษุรูปใดป่าถนาก็จงถือผ้าบางสกุลเถิดภิกษุรูปใดป่าถนาก็จงยินดีภาคขหบดีเถิดเทวทัตรเราอนุญาต คือเสนาสนะตามคนไม้แปดเดือนเท่านั้นเราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์ด้วยอาการสามอย่างคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้นึกสงสัยอย่างนักบวชเนี่ยท่านดำรงชีวิตโดยการถ้าเป็นอินเดียเ็าเรียกว่าขอทานนะ ขอทานส่วนเขาจะให้ทานอะไรเนี่ยเราต้องเลี้ยงง่ายไม่ใช่ไปเลือกนะบางทีคนเขาก็ไม่มีจะกินแต่เขาอยากให้ทานเขาเอาอะไรเนี่ยเราก็มีหน้าที่ฉันกินเพื่ออยู่ได้เท่านั้นเองนะ ต, ต้องไม่ยินดีนะคือหนึ่งไม่ได้เห็นสองไม่ได้ยินสามไม่ได้นึกสงสัยครั้งนั้นพระเทวทัตล่าเลิงดีใจว่าพระผู้มีพระภาค ไม่ส่งอนุญาตวัตถุห้าประการเหล่านี้พร้อมกับบริษัทลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทาปะทักศินแล้วจากไปนะก็ออกไปตั้งรัฐที่ใหม่นะพระเทวทัตจึงใช้วัตถุห้าประการเป็นเครื่องมือโฆษณาโดยบอกประชาชนทั้งหลายว่าพระสมณะโคดมไม่ส่งอนุญาตวัตถุห้าประการเหล่านั้น บรรดาประชาชนเหล่านั้นพวกไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสมีความรู้ไม่ดีกล่าวว่าพระสมณะเชื้อสายศักยะบุตรเหล่านี้ประพฤติกำจัดกิเลสประพฤติเข่งคัดส่วนพระสมณะโคดมมากๆดํดำริเพื่อความมากๆนะาทำให้คนเข้าใจผิดส่วนพวกที่มีศรัทธาและเลื่อมใสเป็นบัณฑิต ฉเฉลียวฉลาดมีความรู้ดีก็ตาหนิประนามพลทนาว่าฉไนพระเทวทัตจึงเพียรพยายามเพื่อทําลายสงเพื่อทําลายจักของพระผู้มีพระภาคเล่าตอนนั้นแตกเป็นสองกลุ่มล้วทั้งฉัยพุทธการก็ยังมีแบบนี้นะอย่าว่าแต่ยุคนี้เลยนะพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพระเทวทัตว่าเทวทัตทราบว่าเธอ เพียรพยายามเพื่อทำลายสงเพื่อทำลายจักจริงหรือพระเทวทัตทูลว่าจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าพอใจทำลายสง์เพราะการทำลายสง์มีโทษหนักผู้ใดทำลายสง์ที่พร้อมเพียงกันผู้นั่นจะประสบโทษนานตลอดกับถูกไฟไหมในนรกนานตลอดกับ ส่วนผู้ใดทำสงผู้แตกกันแล้วให้พร้อมเพียงกันย่อมประสบบุญอันประเสริฐย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับอย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจในการทำลายสงเพราะการทำลายสงมีโทษหนักพระผู้มีพระภาคทรงเป่งพระอุทานในเวลานั้นว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยาก กรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายกรรมชั่วคนดีทำได้ยากก็ไม่จำเป็นเพราะครูก็ไม่ต้องให้เสียเวลาเหล่านี้นะเป็นแต่ว่าสิ่งนี้เคยขัดแย้งตัแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้เราไปยุ่งกับเรื่องสำหรับพระครูเรื่องอาหารเรื่องอะไรไม่สำคัญนะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กป่าในเขื่อนนี่มีเป็นพันๆชนิดนะทีนี้ธรรมชาติเขาก็สร้างสัตว์เล็กเนี่ยเผยแพร่เ ผ, ผาพันเร็วมากนะเพื่อให้สัตว์ใจบริโภคสัตว์ในป่านั้นเขาไม่ได้กินสัตว์เล็กเพราะเขาหลังเกียดหรือเขาเครียดแค้นเขากินเป็นอาหารนะมันก็พึ่งพาอาศัยอย่างนี้แต่มนุษย์เราตอนนี้กินเพราะมันอร่อย นะตอนนี้เมื่อกี้บอกเนื้อมนุษย์เนี่ยห้ามตอนนี้ประเทศจีนกินแล้วเบืองไทยเราเคยสมัยพ่อครูเด็กๆนะเรียกว่าสี U ่อุยนะมันกินเนื้อคนตอนนี้เมืองจีนนี่เนื่องจากว่าเขาคุมเขาคุมกำเนิดเขาให้ออกลูกคนเดียวแต่ช่วงหลังเริ่มเปลี่ยนละให้ให้สองคนเพราะคนแก่มันเยอะและแรงงานไม่มีทีนี้ เขาไปอุ่นต้าสาวถ้าเป็นเด็กผู้หญิงปุ๊บเขาจะแทงเลยและพวกร้านอาหารก็ไปซื้อทาลกที่แทงออกมาเนี่ยขึ้นหม้อตอนนี้ขึ้นพัฒการ น, นะบุนรุษเราตอนนี้เนี่ยคือว่ากินทุกอย่างที่ขวางหน้าบางทีเผลอๆลือสีอ้วนๆก็กินเราไปเข้าใจว่า คือตอนนี้สเต็มเซลล์เนี่ยเขาสกัดมาจากลกเด็กลกเด็กที่เราคอดถ้ามาฉีดสเต็มเซลล์ปุ๊บเขาบอกว่าเพิ่มศักยภาพภูมิคุ้มกันเราเกิดตอนนี้มันไม่ไมสืบสเต็มเซลล์มั น, ก, นกินเด็กตรงๆเลยเนี่ยนะยิ่งมาความอยากของมนุษย์ก็ยิ่งมากขึ้นความขัดแย้งไม่ต้องพูดมันก็ต้องเกิดอย่างนี้ต่อไป นะเพราะคูเน้นเรื่องนี้เพื่ออะไรว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อว่าที่เราปฏิบัติเนี่ยที่เขาเรียกว่าสมาธิเวียงเนี่ยพ่อครูไม่ได้ตั้งนะคำว่าเวียงทิ้งเวียงทิ้งมันเป็นกิริยาเราเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราเห็นอารมณ์อะไรปุ๊บเราก็เวียงความยึดมั่นถือมั่นอารมณ์นั้นทิ้งมันเป็นกิริยาไม่ใช่ชื่อเรียกพ่อครูไม่ตั้งชื่อถ้าตั้งชื่อปุ๊บมันกลายเป็นลัทธินิ่งกาย เห็นไหมเป็นตั้งชื่อเป็นสมาธินั้นสมาธิเอาชื่อของสมาธิเนี่ยเป็นแบรนด์เนมแล้วก็ไปติดห่วงสมาธิการปฏิบัติธรรมไม่ได้จบอยู่ที่สมาธิการปฏิบัติธรรมคือมรรคผลนิพพานแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนี้หมดแล้วทำยังไงเราต้องทําใจนะอันนี้เป็นกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมัน นะสมัยพุทธกาลก็มีเขาเรียกว่าจริตของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะพระองค์ถามว่าสาวิตริย์อยู่ไหนสาวกบอกอยู่ในป่านั้นพร้อมทั้งสาวกทั้งหลายโมฆะลานะอยู่ไหนอยู่ในป่านั้นพร้อมทั้งสาวกทั้งหลายเห็นไหมสมัยพุทธกาลอยู่ในสำนักเดียวกันมีครูบาอาจารย์องค์เดียวกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันยังมีจริตไม่เหมือนกัน นี่คือนานาจิตตังไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ถ้าเราต่างคนต่างใช้จริตเราเนี่ยปฏิบัติไปอย่าไปกล่าวโทษคนอื่นแต่เทวทัตไม่ใช่แค่นั้นนะเทวทัตยพยายามจะสร้างปัญหาเพราะเทวทัตเนี่ยตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่ชาติปัจจุบันเน่เกิดมาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าชายจิทตถานนั่นแหละอิจฉาตา้อนเกิดความพยาบาทมันเป็นกรรมร่วม เธอทำขาวฉันจะทําดําเธอไปซ้ายฉันจะไปขวาคือมันเป็นกรรมร่วมแล้วก็ไปไปอะไรล่ะไปไปแกล้งพระพุทธองค์นะ่ยให้พระองค์ห้อเลือดอย่างนี้นะนะมันพิสูจน์อะไรแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าซึ่งตัดสั้นุทำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็หยุดกระแสกรรมไม่ได้แต่พระองค์หยุดตัวเองได้กระแสกรรมที่บันทึกยู่ในจิต เทวทัตนั่นพระองค์เปลี่ยนไม่ได้เห็นไหมเทวทัตก็ไปกระทบพระองค์แต่ไม่จิตพระองค์เนี่ยไ ม, ม, ไม่มันไม่กระเทือนมันไม่โง้ที่จะไปทุกขนอกจากวันใดวันหนึ่งเนี่ยวันที่พระองค์ละสังขารไปแล้วน่นพระองค์ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดในสามโล ก, กธาตุนี้นกระแสะกรรมมันก็ไลบ่บีเราไม่ได้นะชั้นใดชั้นนั้นพวกเราก็อย่าประมาทนะคือ บางคนถามพ่อครูว่าเจ้ากรรมในเวรมีจริงไหมเออเราจะไปปดลดรหัสกรรมกับเขาได้อย่างไรที่นี่มีนะบางทีมาคนละจังหวัดออพอเข้าจิตปุ๊บนี่วิ่งไปสเสด็จพี่สเสด็จน้องกอดกันร้องไห้หามาตั้งนานอะไรเนี่ยนะออไม่ใช่เรามามาผูกเงื่อนต่อนะเราเกิดมาเพื่อปลดเงื่อน เ, ออเห็นแล้วเราก็ลาง ต่างคนต่างล้างล้างโปรแกรมที่มันผูกพันยุคนี้เนี่ยการศึกษาสังคมสอนให้เราสร้างความผูกพันนะเขียนสศสศถึงกันมันบันปีใหม่ด้วยรักและผูกพันทั้งผูกทั้งพันกลัวมันหลุดสายกาวเยี่ยอกลากไปด้วยเนี่ยแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็กอดคอกันข้ามภพข้ามชาติไงนะแต่ผู้เจ้าสอนให้เราเนี่ยลดล่าเลิก มาขัดเกาจิตให้ผ่องใสนะขัดไอ้โปรแกรมสัญญาต่างๆที่มันบันทึกไว้นะซึ่งเป็นอุปทานในอดีตแล้วก็ให้มันหมดไปนะต่างคนต่างขัดไม่ใช่มาสร้างความผูกพันกันใหม่นะทั้งผูกทั้งพันนี่เป็นกรรมใหม่นะก็วันนี้ก็ให้ทุกคนเข้าใจเรื่องอาหารเนี่ยทุกคนต้องมีสติบริโภค ให้มันพอดีกับตัวเองไม่ใช่บริโภคเพราะมันอร่อยนะถ้าบอกเบาะมันอร่อยวันไหนมันไม่อร่อยปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่กินกันไม่กินปุ๊บเราก็หิวเราก็ทุกวันไหนอร่อยก็กินมากเกินไปนะท้องอืดมาแล้วก็ทุกมันไม่พอดีไงนะไปไหนยังสายมหายานเราชัดมากนะเขากล่าวไหวพระพุทธรูป พระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางซ้ายมือไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมถือศีลกินเจขวามือไหว้อลรหันจี้กงขี้เหล้ากินเหล้ากินเนื้อสัตว์เห็นไหมคนกินเหล้าถ้าเราไม่เข้าใจว่ากินเหล้าผิดศีลซิบบรรลุอัลรหันได้อย่างไรอัลรหันจี้กงกินเหล้าแต่ไม่ถูกเหล้ากินตัวเมาแต่จิตไม่เมา มันเป็นเทคนิคของท่านแต่อย่าเรียนแบบผู้เจ้าไม่ได้ห้ามนะพระองค์บอกละเวน้นเพราะ 99% กินปุ๊บขาดสติแล้วก็ไปสร้างกรรมใหม่แต่พระลัหันจิตกงยิ่งกินมากเท่าไหร่เท่าไหร่นะตัวเมาจิตยิ่งตื่นรู้มากเท่านั้นเพื่อมองไปสมองซีกซ้ายไม่ให้มันควบคุมนะแต่อย่าเรียนแบบนะมันเป็นเทคนิคของท่านเห็นไมถ้าเรามองเผลอว่าให้ขี้เล่านะ ผิดศีลแล้วคนผิดศีลเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรท่านไม่มีเจตนากรรมชี้เจตนานะอย่างพระอรหันต์เดินทางมาสูนเนี่ยมีครั้งหนึ่งนะ่พระคุณเจ้าอาวุโสมากนะท่านอายุเก้าสิบกว่านะท่านบวชตั้งแต่เป็นเนรนั่นแหละท่านจะเดินทางไปที่ประเทศลาวก็แวะมาพักกับพระครูคืนหนึ่ง พ่อครูก็ บ, บอกหลวงตามาจากไหนท่านก็เล่าฟังหลวงตามาอย่างไงนั่งรถเข้ามาลงปากทางแล้วท่านก็เดินเข้ามาที่นี่พกก่อครูบอกหลวงตาอย่าแก้งลืมนะหลวงป่าหลวงตาเหยียบมดตายทั้งหลายตัวรถที่หลวงตานั่งมาก็เหยียบพลังตายบรรลุกี่ตัวแต่ท่านไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าท่านเอามดมาตัวหนึ่งบอกอ <c oughs> นี่ฆ่าสัตว์ละมันบันทึกแล้วกรรมชี้เจตนา นะบางทีเราไปดูเพลิ น, เ, นเราไปติดรูปแบบนะวางตัวสำรวมนะเราไปติดคำว่าสำรวมไปว่าเรียบร้อยเดินมาอย่างผู้ดีสำรวมเห็นสตีตกน้ำฉันจะไม่ยุ่งเดี๋ยวฉันจะไม่สำรวมเดินหนีฆ่าสัตว์แล้วจิตเรามันบอกมันทึก่าเธอไม่ช่วยชีวิตเธอฆ่าสัตว์ เดินไปสำรวมอย่างผู้ดีไปเห็นกระเป๋าตักสตังค์เาตกเกบขึ้นมาใส่กระเป๋าตัวเองก็เดินกลับบ้านสำรวมแบบผู้ดีนะเธอผิดศีลละเธอเธอไม่คนหนึ่งวิ่งมาเหมือนลิงเลยไม่เรียยร้อยนะนะโดดตองไปช่วยสตีขึ้นมาบนน้ำไปเห็นกระเป๋าตังค์เขาตกก็เก็บไปวิ่งคืนเจ้าของเขาคนนี้สำรวมมากสำรวมไปว่าระวัง ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นแต่ตอนนี้เราไปติดเรื่องรูปแบบนั่งผ้าพับไว้เรียบร้อยนิง่งข้างในคิดโน่นคิดนี้อิจฉ า, า, าคนนั้นอิจฉาคนนี้คนนี้ไม่สำรวมเลยเราหลอกคนอื่นได้นะไปถ่ายวิดีโอขโมยโอ้คนนี้นั่งเรียบร้อยสำรวมมากเลยนะแต่ข้างในมันดินดนด้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยนะเราหลอกจิตเราไม่ได้หรอกคนนี้ไม่สำรวมเลย อย่าไปดูแค่ภาพลักษณ์ข้างนอกนพ่อครูเคยยกตัวอย่างบ่อยๆว่าพ่อครูผลักเด็กคนนี้ล้มลงไปมันก็ร้องไห้พ่อแม่เขาไมา่เห็นเลยเห็นตะกับตาเลยหลายคนมาเป็นพยานเลยตำรวจมาเนี่ยคนคนนี้ผลักเด็กคนนี้ล้มลงไปไอ้เด็กลุกขึ้นมามันก็บอกว่าคนคนนี้ผลักลงไปนะจับเราไปขังนี่ทุกข์ไหมไม่ทุกข์อ้าวทาไมไม่ทุกข์งูมันจะกัดเด็กคนนั้น่ะ เพววช่วยชีวิตเขาอะงูมก็ตกใจมันกัดไม่ทันมันก็หนีแต่เราหลายคนไม่เห็นงูนึกว่าบางครั้งอย่าเชื่อสายตาตัวเองมากนะฉันเห็นจริงๆเห็นจริงๆเธอเห็นไม่ทั้งหมดไงเธอเห็นเจตนาเขาไหมบางครั้งระวังนะบางครั้งเนี่ยไม่รู้ใครขาดสติกันแน่นี่พยานหลายคนเห็นเลยเนี่ยผักจริงๆเลย เด็กๆ ก, ก็บอกยืนยันน่ยคนนี้ผักใช่ไม่ใช่แต่เขาไม่รู้ว่าผักทําไมเราจะลังแกเด็กคนนี้ทําไมไม่นิ่งๆดูก่อนเนี่ยละ่ะกล่าวโทษเลยนะอันนี้หนักนะเหมือนเราเฟี้ยงบุงมแมลงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยนะมันไม่เจออะไรมันกลับมาถึงตัวเองนะยิ่งไปทํากับจิตที่บริสุทธิ์นั่นถือว่าบางครั้งเนี่ยอย่าเชื่อความคิดตัวเองมากอย่าเชื่อสายตาตัวเองมากเราเห็นจะเราเห็นอรหันต์จี้กรเห็นไหม พวกเราชาวเถรวาทเนี่ยรู้สึกยังไงเชื่อไหมขี้เล่าบรรทุทําได้ทั้งนี้ก็กินเจพระโพธิสัตว์ถือสิญกินเจนะก็เป็นพระโพธิสัตว์สายจีนเนี่ยสายจีนเนี่ยพระโพธิสัตว์เขาเนี่ยเป็นพระอหรหันต์ซึ่งมีบา ร, รมีมากกว่าพระอหรหันต์ทั่วไปนะแต่บ้านเราบอกโพธิสัตว์ยังไม่บรรลุอลหรหันต เห็นไมพุทธศาสนาเหมือนกันแต่เชื่อไม่เหมือนกันเห็นไราบอกกินเหล้าผิดศีลเลยทำไมอหรหันต์จี้คงกินเหล้าเราบรรดูธรรมอย่าไปมองข้างนอกท่านนะต้องมองเข้าไปเจตนาเขานะแม่ค้าสองคนคนนี้เชื่อดคอไก่บาป คนนี้เชือดคอไก่ไม่บาปทหารสองคนออกไปลบสึกคนนี้ยิงศัตรูตายบาปคนนี้ยิงศัตรูตายไม่บาปเอา้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะกูเลือกที่รักมักที่ชังไม่ใช่แม่ค้าคนนี้เชืออมีความสุขเมามันเชืออเพื่อจะได้สร้างความมั่งคั่งตัวเองแต่คนนี้เป็นลูกจ้างเขากูไม่น่าที่จะกระเชื้ อ, อไม่ยินดียินไลคนนี้ไม่มีเจตนา ทหารคนนี้ไปยิงศัตรูตายปึ๊บสะใจบันทึกละคนนี้ไปยิงศัตรูตายเนี่ยลูกปืนมันไปยิงเนี่ยไม่มีความรู้สึกเขาทำหน้าที่เขาแต่ทั้งแม่ค้าสองคนเชื่อใจเนี่ยโอกาสมือเพื่อนเลือดก็มีโอกาสเผลมีดบาดมือก็มีอันนี้เป็นกรรมเฉพาะหน้าอย่างหลวงตาท่านเดินมาเนี่ย บางเอิญท่านเหยียบมดบางทีก็ถูกมดกัดตอนนั้นเลยน ะ, นะก็รับกรรมเวลานั้นแต่ถ้าไม่ถูกมดกัดมานี่ปุ๊บเนี่ยท่านไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าเราตั้งใจฆ่าปุ๊บเนี่ยมันบันทึกในสัญญาเราตายเราไม่จบเผาแล้วกลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินแต่จิตวิญญาณนั้นเผาไม่ได้ธรรมชาติบอกอย่าค้ากำไรเกินควรนั่นจะกลายเป็นบาปกลายเป็นวิบากรรม แต่ถ้ากรรมเฉพาะหน้าทหารคนสองคนนั้นน่ยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีหาเรื่องไปเป็นทหารโอกาสที่ถูกเขายิงตายก็มีโอกาสเหยียบกับระเบิดก็มีแต่ถ้าเราไม่ไปสร้างกรรมตรง น, นั้นโอกาสที่เราจะเจอตรง น, นั้นไม่มีแต่เป็นกรรมเฉพาะหน้านะคือมันผ่านไปก็คือผ่านไปแต่ถ้าเราไปใส่เจตนาปุ๊บเนี่ยตายแล้วไม่จบ มันบันทึกสัญญานั้นมันข้ามพบข้ามชาติอันนั้นกลายเป็นวิบากกรรมกลายเป็นบาปนะกรรมต้องดูที่เจตนากรรมชี้เจตนาทีนี้ถ้าจิตซึ่งเรามองไม่เห็นวาลาจิตเขาเนี่ยอย่าพึ่งด่วนสรุปสักแต่ว่าเห็นอย่าพิจารณาอย่าตัดสินรู้เฉยๆตอนนี้เราชอบไหชอบตัดสินเลย นะชอบแย่งงานโยมพบาลทำบางทีเผลอตกนองลกลงไปเนี่ยโยมพบาลโกรธมากไปแย่งงานโยมพบาลทำไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่เราต้องไปตัดสินคนนั้นคนนี้นะสัต่ว่ารู้สักต่ว่าเห็นนะแก้ไขตัวเองเอาตัวเองให้มันรอดพ้นก่อนแต่ทุกวันนี้ ยุคนี้มันเป็นยุคอะไรไม่รู้ยิ่งมีเทคโนโลยีเนี่ยเขาส่งลายมาปุ๊บรีบส่งเลยกลัวมันจะช้ากว่าคนอื่นเขาเรียกว่าสร้างกรรมร่วม <c oughs> มันส่งไปทั่วโลกเลยนะทั้งมโนกรรมวจีกรรมากายกรรมนี่ไปเพิบเดียวเลยโดยไม่เอามาวิเคราะห์นะชอบวิจารณ์ไม่ชอบวิจัยนะนี่สร้างกรรมทุกวันพวกครูเตือนนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะ ไม่ใช่เรื่องเล่นบางทีนิ่งเฉยตำลึงทองอะไรที่ไม่แน่ใจอย่าไปร่วมสังคกรรมเราห้ามคนอื่นเขาไม่ได้แต่ชีวิตเป็นของเราเราห้ามตัวเองไม่ให้สร้างกรรมได้เห็นไหมตอนนี้สร้างกรรมกันทุกๆนาทีทุกลมหายใจเข้าออกอันตรายมากนะก็ปีนี้ยี่สบปีที่พ่อครูอยู่ที่นี่ มันเปลี่ยนแปลงทุกปีลหละแต่ปีนี้เนี่ยเรื่องดินฟ้าอากาศมันแรงขึ้นจนชัดนะก็สองสามเดือนแล้วว่ามันแรงตอนนี้เขาเพิ่งรู้สาเหตุว่าเป็นเอลยินโนในมหาสมุทรแปซิฟิกอุณหภูมิมันร้อนขึ้นนะดินฟ้าอากาศก็แปรปลี่นไปหมดก็ฝีมือมนุษย์นั่นแหละเนาะนี่ดูมันร้อนได้ยังไงนะ ก็เราไปทำลายความสมดุลของมันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยธรรมชาติเขากาลังปรับสมดุลเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้กระทบวิถีชีวิตเรานะช่างหนึ่งเพิ่งรายงานพระครูเรามีบาดาลสามบอ่อไอ้บ่อหนึ่งนะี่มันเป็นสนิมมาละจนใช้ไม่ได้แล้วล่ะมีเครื่องกรองวันหนึ่งต้องล้างสามครั้งล้าสามคำก็ยังไม่อยู่มันเป็นสนิมหมด อีกบ่อนึงใช้มาดีๆหลายปีเนี่ยปีนี้ก็เป็นสนิมอีกใต้บาดาลก็เปลี่ย น, นลวกมันเอียงน้ำบาดาลมันเปลี่ยนทิศก็มันมีสิ่งเตือนภยัยเรานะแบบว่าธรรมชาติไม่ปกติแล้วพาทิ์เองก็ร้อนขึ้น น, น้ำในเขื่อนนี่ มันลงลงลง ล, ง ล, งลงปีนี้ลงไปไกลที่สุดเลยหน้าแรงเราไปทาแพรหนึ่งไปทำแพรแล้วก็สูบน้ำเขื่อนขึ้นมามากองแล้วเราใช้ตอนนี้แต่สองสามวันที่ผ่านมามันไม่มีพระอาทิตย์ไงนะเมฆบังหมดแสงอาทิตย์ก็ไม่ทำงาน <c oughs> ปัญหาต่างๆบรรลุมเราเลยแล้วเนาะก็ฝีมือมนุษย์ผู้ประเสริฐเรา มันกินได้แม้กระทั่งเนื้อคนแล้วมันจะไม่กล้าทําอะไรมันกล้าทําหมดล่ะนะทุกอย่างร้อนไปหมดคนโบราณเขาบอกเด็ดดอกไม้ดอกเดียวนกระทบไปทั้งจักรวาลตอนนี้เราเห็นแล้วนะจิตใจมนุษย์เราร้อนเนี่ยกรรมที่มนุษย์สร้างเนี่ยมันกระทบไปจักรวาลหมดตัวพระอาทิตย์ร้อนขึ้นพวกครูบอกหลายปีก่อนนะ เพราะคูมาจากอเมริกาใหม่ๆเช้าๆเพราะคูก็เดินออกกําลังกายด้วยเพราะคูก็เพ่งดวงอาทิตย์ทุกวันทุกวันนี้เพ่งไม่ได้ไม่ใช่ก r e e เ h o u s e ฟ f f e ไม่ใช่โลกมันร้อนเตาอบอย่างเดียวนะอันนี้อุณหภูมิของโลกผ้าอาทิตย์ร้อนขึ้นพระจันทร์เสี้ยวนิดเดียวเองก็ส่งกฎมันไม่เคยเป็นแบบนี้นะจั ก, กรวาลก็กําลังเปลี่ยนเพราะมนุษย์เราเนี่ยเล่าร้อน แหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเนี่ยไม่ใช่อยู่มหาสมุทรในโลกนีไม่ใช่อยู่ที่ในมหาสมุทรในทะเลนะอยู่บนอากาศในอากาศนั้นมีออกซิเจนในออกซิเจนนั้นมีน้าในน้ามีจุลินทรีย์ในจุลินทรีย์นั้นมีวิญญาณมันลิงก์กันไปหมดละขึ้นมันเนาะเนี่ยปีมือมนุษย์เราทำลายล้างจนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่สมดุลแล้ว ไปเจาะน้ำมันมาวันหนึ่งหลายล้านบาเรลออกมาแลกเป็นเงินกว่าจะเป็นน้ำมันมันกี่ล้านปีมันก็เป็นโพรงก็ถล่มไปทดลองนิ้วเคี้ยวใต้มหาสมุทรไอ้ภูเขาไฟที่มันนอนตายในมหาใตมหาสุดเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมานะน้ามันก็ร้อนขึ้นลาวาก็ไหลออกมาป่าเมื่อเคยเกิดตื่นมันก็หลงทิศหมดลาวาขึ้นมาก็เป็นโพรงอีกเดี๋ยวมันก็ถล่มอีก ตอนนี้โลกใบนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วและยิ่งมายิ่งแรงขึ้นพเพราะูอยู่ที่นี่นิ่งๆธรรมชาติฟ้องพ่อกรูธรรมชาติฟ้องพ่อพเูเราเห็นถ้ามนุษย์เราตอนนี้กำลังเริ่มมีปัญหาเรื่องน้ำจืดกันชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนหมดเห็นปกติเมืองไทยเราเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ตอนนี้ ทั้งแรงทั้งท่วมทั้งแรงทั้งท่วมเพราะว่ามันไม่สมดุลอันนี้ก็พ่ะครูชี้ให้เห็นว่าแล้วก็บางครั้งก็ถ้าถามในเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนามีเกี่ยวกับเรื่องวิชาการบ้างพาอครูก็ก็ดีบางอย่างเพราะว่าเห็นว่ามันขัดแย้งทุกวันนี้เรื่องกินนี่ก็วุ่นวายมากนะมนุษย์เรามีกินกามเกียรติสามเรื่องนี่ สร้างปัญหาเยอะนะเรื่องกินก็มากเรื่องเราจะกินอะไรล่ะกินอาหารซึ่งเป็นผักเขาบอกบริสุทธิ์หน่อยหนึ่งฉันบริสุทธิ์กว่าเธอเธอกินมังสวิรัตยังไม่บริสุทธิ์มีกระเทียมมี น, น้นมีกิน่นฉันกินเจไปไหนก็หิ้วเจไปด้วยไม่ให้วางในหิ้วนะั้นน่ะมันไม่วางอะ่ะมันหิ้วนะกินก็กินไปนะ แล้วก็ไปว่าคนอื่นเขาเีพวกกินเนื้อสัตว์พวกยักษ์พวกมารพวกกินเนื้อสัตว์ก็ไปด่าพวกเทวทัตเนาะด่ากันไปด่ากันมาต่างคนต่างสร้างวจีกรรมพราะกูมีเพื่อนฝรั่งนะอยู่อเมริกาเขารักปะคูมากเขาเป็นห่วงส่งข่าวมาเป็นช่วงๆก็บอกเขาฟังข่าวเมืองไทยตอนนี้นะถ้าเขาไม่รู้เมืองไทยเขาไม่รู้จักปะคูเขาบอกว่าคนไทยชั่วหมด ไม่มีคนดีสักคนหนึ่งเพราะไอ น, นี้ก็ด่าเธอชั่วอ้ น, นี้ก็ด่าเธอชั่วมันฟังเธงที่ไหนมีแต่คนชั่วไม่มีคนดีสักคนนี่แหละอยู่ดีๆไม่ชอบก็ด่ากันสาดโคนใส่กันไม่มีใครดีสักคนหนึ่งนะตอนนี้เพราะเราให้อาภัยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองสะใจอาภัยทานกันก็ไม่ได้มันร้อนไงนะเป็นไปทั้งหมดเลยนะถ้าเราไม่ระวัง อุณหภูมิยิ่งร้อนขึ้นทั้งนอกใจก็ยิ่งร้อนใจร้อนก็ทำให้อุณหภูมิร้อนอีกมันกระทบถึงกันหมดนช่ไหมขนาดพวกเราอยู่ที่นี่ปฏิบัติทุกวันนะพ่อครู ย, ยังเตือนนะอย่าเผนะิร์ะมันจ้องตีหัวเราอยู่พราะพวกเราไม่ได้ปิดเหมือนเก่านะเราเปิดตั้งแต่เปิดให้ไฟฟ้าเข้ามามันก็เอากิเลสมา ด, ด้วยนะ ผู้คนมักน่านหลายตาเนี่ยเขาเข้ามาแต่เมื่อเราจะให้แล้วเราไม่ต้องกลัวแต่เราต้องระวังมากขึ้นอย่าชะล่าใจอย่าประมาทนะมีเวลาต้องฝึกพรมิหารใช้พรมิหารบ่อยๆสร้างอินทรีย์พะละั้ถ้าเราประมาทนะพอถึงเวลาไอ้กรรมเราลูกโตๆมันโผล่ขึ้นมานี่เซเลยไม่มีกําลังสู้มันมีโอกาสหนึ่งวันก็ทำหนึ่งวันอย่าประมาทก็ วันนี้ก็มีโอกาสคุยกับญาติธรรมมาจากออสเตรเลียเขาเขากลับไปตอนสายเนี่ยเขาก็ถามพระครูสองสามคำถามเขาเคยปฏิบัติตอนพระครูไปสอนที่จีหลังเชียงใหม่เขาเคยไปที่นั่นพระครูจำเขาไม่ได้เขาก็เคยซื้อหนังสือสามชั่วโมงจีหลังเขาขายเขาเาไปอ่านเขาก็ตามมาถามที่นี่เขาไม่ค่อยมีเวลาหร เขาก็บอกว่าเราต้องทำงานเนี่ยเราก็ต้องก้าวหน้าตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นอะไรๆพวกนี้นะสงสัยต้องรอกเกษียณก่อนค่อยมาปฏิบัติพ่อครูก็เลยเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าเขาบอกเพื่อนพ่อครูรุ่นเดียวกันหลายปีก่อนตอนนั้นห้าสิบกว่ากว่าจะหกสิบแล้วมากินข้าวกับพ่อครูยี่สิบคนเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็น เศรษฐีเป็นนายทาหารเป็นนายตำรวจนะเขาจะทุกข์มากเพราะอีกปีสองปีเขาจ ะ, กะเกษียณแล้วเขาจะอยู่ยังไงไม่มีอำนาจวาสนาแล้วเนี่ยเขาก็มาดูว่าพราะครูนี่อยู่ยังไงนะพอฟังพระครูบรรยายเสร็จเขาบอกเออเอาไว้หลังกเกษียณจะมาปฏิบัติพระครูบอกไม่ได้แช่งนะเธอจะรู้ได้ยังไงเธอจะตายหลังกเกษียณ บางคนยังไม่เกิดเขาก็แทงแล้วบางคนเกิดมามันก็ตายแล้วบางทีสิบหปีขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งตายตายตายตายโคมก็ตายแล้วเนี่ยประมาทและวันนี้เหมือนกันญาติธรรมคนนี้ก็เหมือนกันพวกครูก็พบ ว, ว่าเราเข้าใจผิดคำว่าปฏิบัติธรรมเราคิดว่าวิถีชีวิตที่เราอยู่กับโลกเนี่ยกับวิถีทางธรรมเนี่ยมันคนละเรื่องเขาฉีกเลยนะเอาไว้กเกษียณก่อน ไม่มีแรงทำงานแล้วค่อยมาปฏิบัติธรรมอันนี้เราประมาทนะการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมทุกคนต้องมีสัมมาชีวะต้องมีอาชีพแต่เราต้องทำหน้าที่อย่างมีความสุขถ้ามันยังไม่พ้นทุกข์ให้มันสุขก่อนอย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มันมีสุขเมื่อได้ทำงานนั่นนะคือทำหน้าที่ อันนี้เขาแยกเลยว่าโน้นหลังกเกษียณแล้วค่อยมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เราเข้าใจผิดเขาก็ใช้คำว่าเขาวางยังไม่ได้เขายังมีภาระต้องทำบอกเข้าใจคาว่าวางผิดนะวางไม่ได้ไปว่าทิ้งผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราคิดเกียดนะวางไปว่าวางความยึดมั่นถือมั่นที่เราไปหลงกับมันเนี่ย หลงราบยศสรรเสริญทำเพื่ออนาคตไม่ได้ทำเพื่อชีวิตคนที่อันดับหนึ่งของโลกตอนนี้เอ่ยชื่อเขามากๆพวกกูกเ็เดี๋ยวเค้๋วาจะว่าพวกกรูนะอันดับหนึ่งอันดับสิบมันแหละถามว่ามันสำเร็จหรือยังยั ง, ยงสำเร็จไปว่าเสร็จแล้วเขายังไม่เสร็จเลยแล้วเราเราเมื่อไหร่จะเสร็จนะไม่ใช่รอกเกษียณแล้วค่อยเสร็จนะ เรอาอเสียงค่อยมาปฏิบัติต้องปฏิบัติธรรมทุกวันหิวก็กินง่วงก็นอนนั่นคือปฏิบัติธรรมทำงานคือการปฏิบัติธรรมแต่ต้องทำอย่างมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับบรรยางเดียวนะไม่ใช่ทำไปด้วยคิดไปด้วยนึกไปด้วยอันนั้นไม่ปฏิบัติธรรมอันนั้นทำตามกิเลสปฏิบัติธรรมทำตามหน้าที่ไม่เนื่องด้วยกิเลสกิเลสไม่ใช่ธรรมชาติ กิเลสคือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาเป็นสิ่งปรุงแต่งที่เราปรุงมันขึ้นมานะหิวก็กินง่วงก็นอนนั่นคือปฏิบัติธรรมนะตอนนี้เขาเข้าใจว่าคำว่าวางก็คือต้องทิ้งั้งหมดนะไม่ใช่อย่างนั้นพวกครูไม่เคยชวนใครว่าทุกคนต้องมาอยู่ในป่าเหมือนพ่อครูนะถึงจะทาก็ทาไม่ได้หรอกโดยเฉพาะศูนย์นี่มาอยู่ง่ายๆนะไม่มีเงื่อนไขอะไรแต่อยู่ยากๆ หลายคนสัมผัสตรงนี้แล้วล่ะที่มันอยู่ยากไม่ใช่เป็นเพราะอย่างอื่นเป็นเพราะตัวเองอ่ะไม่ทันกิเลสตัวเองอ้านโน่นอ้านนี่เนาะถ้าเราไปอยู่ไอ้ที่มันตั้งกติกาเพะเพะเพะทุกคนเป็นหุ่นยนต์หมกันหมดสบายสบายนะตามวินัยเลยนะอันนั้นหลอกกันหลอกกันเป็นหุ่นยนต์เราต้องแก้ที่ตัวเองนะ ให้รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบแล้วก็สักต่วารู้อย่าไปคิดเพิ่มลมพัดมาก็รู้จบถ้าไปหาคำตอบเอ๊ะทำไมลมพัดมามันเย็นไปวิจัยอีกกี่องศาอีกแล้วก็ตามมันไปมันมาจากไหนเห็นไหมเนี่ยเราชอบรู้ไง จริงๆแล้วเรามาในสายพุทธศาสนาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายมันทุกขังเพราะดำรงอยู่ได้ยากใช่ไหมมันเป็นของชั่วคราวต้นไม้อยู่ได้ล้านปีไหมไม่มันเป็นต้นไม้ก็ชื่อสมมติ มันเป็นต้นไม้ชั่วขราวมันเป็นอนตัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอ น, นเพราะมันดำรงอยู่ได้ยากเพราะมันไม่เทีย่ยเรารู้อยู่แล้วอะไรก็ไม่ใช่ถามว่าอยากรู้อะไรเหรอเราเอาแก้วตรงนี้มาวิจัยถ้าในทางวิทยาศาสตร์อยากรู้ว่ามันสร้างด้วยอะไรแล้วก็ไปล้อมละลายแล้วไปหาส่วนผสมของมันใช่หมออแล้วสุดท้ายเฮ้ยมันไม่ใช่แก้ว แก้วนี่คืออนัตตาคือว่ามันไม่ใช่ตัวตนทิมันเป็นแก้วชั่วข่าวเอาไม้ตัวนี้ไปวิจัยก็ไปย่อยสลายอีกสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ไม้ <c oughs> มันเป็นอนัตตาถามว่าอยากรู้อะไรเหรอไม่มีอะไรให้รู้ <c oughs> แต่เนื่องจากกิเลสตัวอยากรู้ของเราเราถูกสอนว่าต้องรู้สิ มีฝรั่งคนหนึ่งมาหาพ่อครูปีแรกนั่นมาจากอเมริกานั่นแหละถามพ่อครูครึ่งวันถามไปตอบมาพ่อครูเ อ, เอ้มันไม่จบเฮ้ยไม่จบมังเอินละตอนนั้นมีละครช่วยเขาบอกไปกินข้าวเที่ยงวันนั้นป้าแขะทำกว๋วยเตี๋ยวพอดีเออพ่อครูก็ได้ทีนะเขพูดภาษาอังกฤษน่า ถามว่คุณรู้ป่าอนี่เขาเรียกว่าอะไรหนูไอรอนโน่คนไทยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าเธอถามพ่อครูว่ารสชาติมันเป็นยังไงพ่อครูก็บอกมันเปรี้ยวนิดหนึ่งเค็มนิดหนึ่งหวานนิดนึงคุณรู้แค่ทําไมไม่ชิมดูไม่ตายหรอกไม่ต้องเสียเงินด้วยมันบอกไอ้เก๊ดอิดมันถึงยอมปฏิบัติไงบอกฉันเป็นนักวิยทยาศาสตร์ฉันต้องมีเหตุผลมึงถามจนตายมึงก็ไม่รู้ learning by doing เรียนรด้วยการปฏิบัติ จริงๆเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวช่วยชีวิตไม่งั้นมันถามไปถึงเย็นนี้ก็ไม่จบพอถามเรื่องนี้เขเรื่องนั้นพอถามเรื่องนี้ก็ เ, เรื่องนี้ตอนนี้มีนะมีนักถามอยู่ที่นี่อยู่นะไม่ต้องไม่ใช่ไปแก้ที่หายสงสัยแก้ที่ไม่สงสัยได้ยังไงเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยหาคําตอบไม่ได้มันทุกข์ไง เพราะกูไม่ปลดทุกข์ให้หนูเนี่ยหนูจะนอนหลับได้ยังไงถ้าบอกปุ๊บเนี่ยมันหายสงสัยมันก็สบายสบายมันก็ไปนอนหลับอา้าวพรุ่งนี้เนี่ยไอ้กิเลสตัวขี้สงสัยเอาอาหารให้มันกินเนี่ยมันก็ถามเรื่องอื่นอีกเห็นไหมเราแก้ที่ปลายเหตุเราต้องดับที่ต้นเหตุฆ่าไอ้ตัวขี้สงสัยทิ้งซะนะเมื่อจะสงสัยอยู่นั่นหาคำตอบอยู่ตรงนั้นแหละ แทนที่จะเอาเวลามาเหวี่ยงทิ้งมาเดินทางให้มันออกจากป่าไวๆมัวจะไปหาคําตอบเดินออกจากป่าเฮ้ยดอกไม้นี่สวยนะเกิดมาไม่เคยเห็นเลยก็ไปวิจัยมันอีกไปรอเสือมันมากินเราใช่ไหมเราตายในป่าวัดตาสงสัยมันลู้กี่รอบแล้วพอเดินไปจะเจอน้ําตกสวยมากเฮ้ยไปเล่นสักหน่อยนึงเห็นไหมไฟไม่ป่าเนี่ยก็ออกมาไม่ได้ ไอ้ตัวอยากรู้อยากเห็นเนี่ยอยากคือที่มาของทุกข์ไงจะไปนิพพานด้วยความอยากมันไปไม่ได้หรอกจบอยู่ที่เวียงทิ้งนะเวียงทิ้งไม่ใช่ชื่อเรียกสมาธินะมันไม่ใช่ชื่อเรียกมันเป็นกิริยาเตือนสติเราว่าอย่าไปติดมันพานอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นทีนี้ก็ไปตั้งชื่อสมาธิเวียง เขาบอกว่าสมาธิเวียงมันไม่พ้นทุกข์ไอตัวสมาธิเวียงมันเกี่ยวอะไรกับพ้ทุกข์ตัวเรานั่นแหละพ้นไม่ทนอยู่ที่ตัวเราไม่เกี่ยวกับไอสมาธินั้นสมาธินี้คนเราอะไรกันนักหนาไว้รู้ น, นอ้องแต่ดีเหมือนการถามมาเถอะถามมาพ่อกรูก็ตอบให้นะแต่ตอบอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็พอนะไม่ใช่เช้าก็ถามเย็นก็ถามอยู่ตรงนั้นลนะเนาะ แทนที่จะเวลาถามนี่ไปสร้างบารมีไปปฏิบัติไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไม่จะถามเพื่ออยากรู้อยากรู้ไปเลี้ยงในตัวอยากรู้ตัวอยากมันก็ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นมันไม่มีวันจบสิ้นหรอกต้องฆ่ามันทิ้งซะเออไอ้ตัวอยากรู้มันก็เกิดสงสัยลังเลสงสัยก็เป็นนิวร น, นะจิตมันจะเดินไปก็ดึงมันมาเด่นชักเขาเยอะกัยนะแล้วเมื่อไหร่มันจะไปไหนล่ะ ตั้งมั่นศรัทธาเดินทางออกจากป่าให้เราที่สุดเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อเป้าหมายคือพ้นทุกออกจากป่าให้ได้ไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นไม่ใช่ไปหาความรู้ผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราเพิ่มเติมอะไรเลยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันมากเกินไปแล้วสอนให้เราลดละเลิกอย่างเดียวไม่ต้องเพิ่มความรู้ความรู้เป็นแค่ขยะ ปัญญามีอยู่แล้วเต็นเปี่ยมอยู่ข้างในเนี่ยเดินเข้าไปหามอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังทําไมเราไม่มีปัญญาจิตเรามันมีอายุเท่าไหร่รู้ไหมอย่าไปแก่กับอายุหกสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบนั้นจิตโง่นะจิตเราอายุหลายแสนกลับมาแล้วนี่จะไปแก่เพราะมันอย่าไปทุกข์เพราะมันแก่เจ็ดแปดสิบนี้โง่นะเราเข้าไปเรียนรู้กับเขาเขาผ่านมาหมดแล้วนะ มัวจะไปหาความรู้ที่ไหนวิ่งไปหาความรู้ยวิ่งไปปดรหัสกรรมกับคนนั่นคนนี้ตายแล้วหลายชาติเขปดไม่หมดเจ้ากรรมในเวรเรายังเป็นเทวดาอยู่ก็มีเปรตอสุรลกายเป็นสัตว์ในราฉานอยู่ก็มีร้อยให้มันเกิดมามาม า, มาปดรหัสกรรมมันกันนั่นเลยอุ้ยรู้สึกว่าต้องไปดั้นอุ้ยรู้สึกว่าต้องไปปลดอย่างนี้นะ่ะรู้สึกนั่นแหละอุปทานมันหลอกเราไม่ใช่ไปสนองมันสนองมันนะ ตอนนี้พวกกูพูดคนนั้นรู้ว่าพวกกูพูดใส่เขาเลิกสัทีห น, นึ่งเนาะแก้ที่ตัวเองเห็นไหมพระพุทธเจ้ายังแก้เทวทัตไม่ได้เลยเห็นไหมพระองค์ยิ่งใหญ่แค่ไหนสุดท้ายเทวทัตก็ตกนรกไงแล้วเราเป็นใครเราจะไปปลดรหัสกรรมเหรอปลดที่ตัวเอง ไอคนอื่นมันจะแบกไปก็บอกก็บอกให้เขาแบกไปสิเป็นกรรมกรรมใครกรรมมันไม่ใช่เรื่องของเราไปปวดรหัสกรรมเห็น ไ, ไหมบางทีก็ถูกหลอกว่าเออไปดูตัวเองไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นใครนะงกงกง ก, กเรียนเก่งๆก็ไปหาเงินเยอะๆเหนื่อยมากเลยก็เอาเงินไปไปให้เขาไปให้หมอดูมาดูช่วยดูฉันหน่อยฉันเป็นใครโง่ขนาดนี้ตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครยังไปถามให้คนอื่นมึงบอกว่าฉันเป็นใคร เออเขาก็อเอเอนนเธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้เธอกำลังดวงไม่ดีนะเธอต้องไปทำบุญนะที่นี่รู้แล้วว่าดวงไม่ดีไม่ทำได้ไหมนอนไม่หลับอีกไปปล่อยนกปล่อยกาถูกเขาหลอกนะการปลดละหัสกรรมเนะี่ยมีอย่างเดียวเท่านั้นนะคือศีลสมาธิปัญญาก็คือไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใส ไปล้างโปรแกรมกรรมมันอยู่ในจิตเรานั้นไอ้ที่ไปปล่อยนกปล่อยกามันก็เป็นอุบายวิธี ท, ทำให้เราสบายใจเฉยๆนะถ้าไม่ทำก็ไม่สบายใจอยู่ๆไม่หาเรื่องอยู่ๆดีๆไม่ชอบไปให้เขาไปทายทักว่าเธอดวงไม่ดีต้องไปทาบุญไม่ทำก็นอนไม่หลับอีกแล้วเห็นไหมไม่ต้องถามเพราะครูหลายปีก่อนเคยพาเด็กไปเที่ยวแข่งสะพือนะ ไปเจอเพื่อนเก่าเขามากับลูกพี่เขาเป็นด็อกเตอร์อะไรไม่รู้เขาก็มายืนกับพระคุยพ่อครูว่าลูกพี่เขาดูดวงแม่นนะจะดูไหมพรอคูบอกไม่นี่พรอคูแม่นมากเขาบอกแม่นยังไงไอ้นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดอนาคตนี่ตายหมดเลยแม่นไหมเตรียมตัวตายหรือ ย, ยังมีแต่เตรียมตัวรวยกันรวยหรือเปล่าไม่รู้เตรียมได้ดีแต่ว่าตายแน่ๆทำไมไม่ไม่เตรียมตัวเห็นไหมแม่นหรือเปล่า ไม่ต้องดูดวงหรอกเพราะกูดูแม่นนะอนาคตเธอตายแน่ใช่ไหมถ้ารู้แล้วต้องทำยังไงแทนที่จะ เ, เวลาไปหาความรู้ไปถามคนนีน้คนนี้เอาเวลามาเตรียมตัวตายไม่ดีเหรอมันจะได้ตายแบบยิ้มยิ้มนะถ้าเราตายตายดีนะไปสู่สุขติภูมิถ้าตายไม่ลงเนะี่ยทุกติภูมิโปรแกรมสุดท้ายของจิตเราเนี่ยมันเป็นส่งผลเนี่ย ให้เราอยู่ในร่างที่ดีขึ้นหรือเลวลงนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่เที่ยวไปถามคนนั้นคนนี้เที่ยวไปน่นไปนี่ไปปลดรหัสกรรมรหัสกรรมมันอยู่ข้างในนะของใครของมันเรารักคุณแม่คุณพ่อมากเลยเราปฏิบัติธรรมปุ๊บจะแบ่งบุญของเราเนี่ยให้ท่านได้ไหมไม่ได้กรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันต้องชี้ทางทําให้ท่านให้ท่านต้องปลดของตัวเอง ต่างคนต่างปดเราออ ก, กําลังกายแข็งแรงมากอุ้ยรักคุณแม่มากคุณแม่ไม่แข็งแรงแบ่งความแข็งแรงให้คุณแม่ได้ไหมก็ไม่ได้ไงมันของใครของมันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอย่าไปฝืนกฎแห่งกรรมใครและที่สําคัญอย่าไปแย่งงานโยมพบาลรรมไม่มีหน้าที่ไปตัดสินคนนั้นคนนี้ เห็นมยมพบาลโกรธมากนะอย่าไปทำนะเรื่องนี้นะนิ่งเฉยตาลึงทองบางครั้งก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นนิ่งซะนิ่งก็ไม่เจ็บตัวหเห็นปุ๊บกล่าวโทษส่งเมวมาปุ๊บรีบส่งเลยกลัวจะไม่บากเหมือนเขาตอนนี้เร็วมา ก, เ ร, มากเร็วมากในวงเล็บเร็วมาก เขาบอกยุคข่าวสารไล้พรมแดนตั้งหลายปีก่อนเพราะกลัวเออถ้าข่าวสารดีก็ดีไวถ้าข่าวสารเลวก็เลวไวนั่นแหละแต่ตอนนี้มันเป็นในทางที่เลวหมดกลัวจะไม่ทันเขาไงข้อมูลอะไรมายังไม่วิเคราะห์ อ, อะไรกูก็ส่งต่อเลยนั่นก็เขาเรียกว่ากรรมร่วมกรรมร่วมนะนะร่วมสังขกรรมเราจะต้องรับผลกรรมตนนั้น ส่วนมากมีแต่เรื่องที่ข่าวที่ไปว่าคนอื่นอิจฉาคนอื่นน่ะตอนนี้ชอบมากเลยไปส่งต่อส่งต่อนะสร้างกรรมอันนี้สมัยก่อนเราคุยกันมาสองตัวฉันเกลียดเธอเธอเกลียดฉันก็สร้างกรรมเฉพาะตัวคนอื่นไม่ได้ยินใช่ไหมอันนี้มันออกไปในเว็บไซต์เนี่ยมันประกาศไปทั่วโลกเลยเนี่ยมันกรรมหนักมันแค่ไหนล่ ะ, น, ะนี่แหละยุค ข, ข่าวสาร ไหลพรมแดนเนี่ยข่าวสารเลวก็เลวไวข่าวสารดีก็ดีไวถ้าจะเอาออกเนี่ยก็เอาดีๆไปแบ่งปันเขานั่นแหละเราก็ได้อา น, นิสงส์อันนี้ไม่ใช่คิดจะวิจารณ์ก็วิจารณ์เลยคิดจะตัดสินก็ตัดสินเลยแย่งงานยมบาลทำนะหลายปีอยู่ที่นี่พระครูไม่ได้ยุ่งกับเขาแต่ว่าก็มีเขามายุ่งกับพรอครูอยู่พรอครูก็ห า, หาเรื่องนั่นแหละหาเรื่องคือ ญาติธรรมก็มีหวังดีเนี่แหละขอร้องพระครูออกสามชั่วโมงบรรลุธรรมและมีประโยชน์อะไรเออมีประโยชน์ก็ทําไปทําแล้วปุ๊บพ่ครูไม่คาดหวังเห็นผลทันตาเลยออกไปไม่ถึงครึ่งวันนั่นทั้งดอกไม้ทั้งก้อนอิฐมาพร้อมกันทีนี้เราก็สักแต่วรู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินไม่ต้องต่อล้อต่อเทียงเขาพอเขาส่งก้อนหินมาใช่ไหมญาติธรรมเราวัยรุ่นมันหลายคนเนี่ย มันก็โยนก้อนหินคืนไปเลยนะเอากันใหญ่เลยนะพวกคูบอกแก้วทิพย์บอกทุกคนหยุดนะเราเดินไปหมามันเห่าเราไปเห่าตอบแล้วก็กลายเป็นหมาเหมือนมันก็สอนมาตั้งกี่ปีแล้วเห็นไหมมันไม่ทนตรวจสอบเลยเห็นไหมเออถ้าเขาชมครูบาจเจ้าดีใจดีใจเขาว่ามาหน่อยหนึ่งเนี่ยเรื่องอะไรไปแตะต้องอาจารย์ชันก็โยนก้อนหินไปคืนนะพราคกูบอกหยุด งั้นปิดเวท ไ, ไซต์ปิดอะไรมันจะไปเปิดมันนะตั้งแต่ศูนย์นี้แก้วที่ยมาทําเว็บไซต์พ่อครูไม่เคยเข้าไปดูเลยนะไม่รู้มันทําอะไรกันบ้างแล้วเข้าไปก็ไม่เป็นด้วยนะกดโทรศัพท์ก็ยังไม่ให้เป็นเลยเนี่อันนี้โชคดีของพ่อครูนะหลายคนมาจะ ก, กลับบ้านไม่กล้าพูดเสียงดังบอกเบอร์โทรพ่อครูเบอร์อะไร กลัวคนอื่นได้ยินนะบอกจดไว้จดไว้โทรโทรโทรอย่าโทรใช่หไหมถ้าขืนพ่อคุณมีโทรศัพท์วันหนึ่งไม่ต้องทําอะไรหรอกฮลัฮโลฮโหลฮลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ตรงนั้นแหละเนาะโอ้ยนับลงว่าหูหนวกไปตั้งนานแล้วเห็นไหมเห็นมสบายสบายเห็นไห ม, ห ไ, หมไม่ต้องหิ้วอะไรไปด้วยเห็นไหมเดี๋ยวก็เงินหมดเดี๋ยวก็แบตเตอรี่หมดนั่นแหละทุกพ่อคุ เว้ยเดี๋ยวก็หายสมน้ำหน้าพ่อครูไม่เคยหายสักทีหนึ่งยี่สิบกว่าปีไม่เคยหายแม้แต่อันหนึ่งโทรศัพท์เลยเพราะมันไม่มีที่จะหายไงไปไหนก็ตัวเบาไม่ต้องหิ้วไปด้วย ไ, ไม่อันไหนมันดีกว่ากันล่ะพ่อครูพาน้องดอนกับน้องขีมาจากอเมริกาพออีกสองปีก็พาแกกลับไปดูบ้านเกิดมังนอนไปนะม่านนวลกันเนาไอ้ลูกน้องพ่อครูไอ้ผู้จั ด, ดจาการสาขาต่างๆมันก็มันก็ม่เยี่ยมพ่อครู มิสเตอร์ชักมันต่อว่าพราะครูเลยว่าสมัยก่อนเ็าเรียกพี่ใหญ่พี่ใหญ่สอนให้พวกผมสู้พี่ใหญ่หนีทำไมต่อว่านะเหมือนเราเป็นคนปากว่าตายขะยิบเออเดี๋ยวจะตอบเองถามเองก่อนเองสู้ไปทำไมเขาก็นั่งคิดว่าพี่ใหญ่จำได้ไหมตอนพี่ใหญ่อยู่ผมขับรถฟอร์ดราคาถูกเห็นตอนนี้ผมมีมือเส e s b เบ z เห็นไหมมือถือรุ่นใหม่ด้วย พรอครูแล้วยังไงมันบอกสะดวกสบายกว่าเก่าไงพ่อครูถามว่าแล้วที่พ่อผู้พ่อครูไม่ต้องขับรถแล้วไม่ต้องถึกไม่ต้องถือมือถือด้วยเนี่ยใครสบายกว่ากันคล้ายๆมันสะดวกมันสบายจริงเหรอขับรถจะชนกันตายแล้วยังไปพูดมือถืออีกวันหนึ่งแปดชั่วโมงอยู่สำนักงานไม่พอตื่นเช้ามาก็พูดนะเวลาไม่พูดคือเวลาอาบน้ํากับนอนเท่านั้นเองกินข้าวก็พูดนะ มันสนุกดีเนาะคล้ายๆสะดวกมันสบายจริงเหรอเห็นอย่างพี่ใหญ่ไม่ต้องขับไม่ต้องถือเนี่ยใครสบายกว่ากันมันก็นั่งงงเนาะนั่นลหละคือคำตอบแล้วก็ซอรี่มันขอโทษนะสมัยก่อนพี่ใหญ่อย่างโง่อยู่ต่อไปตัวใครตัวมันนะเราก็ไม่ได้เรียกเขาชวนเขามาอยู่ในป่าเขาทำไม่ได้หรอกเพราะเราเคยเป็นแบบเขามาแล้วเรารู้ว่าเขาคิดยังไงแต่เขาไม่เคยเป็นแบบเรา เมื лось, ่อเราเป็นผู้รู้เราต้องไม่กล่าวโทษเขาสมัยก่อนพ่อครูสอนทางนั้นแหละนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ตัวเองจนกลายเป็นไมเกรนได้รางวัลชีวิตไงคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดทุกเรื่องที่มองเห็นคิดทุกเรื่องที่ได้ยินคิดหมดคิดหมดไม่มีแม้แต่เรื่องไม่คิดนะมันก็ได้รางวัลชีวิตไง เราสร้างมโนกรรมบ่อยๆผลก็คือปวดหัวเป็นไมเกรนโรคเครียดลงกระเพาะเป็นโรคกระเพาะ อ, อีกนั่นแหละของแถมเห็น ไ, ไหมพอจิตมันพริกปุ๊บยี่สบกปีมันต้องกินยาพาราไม่แต่เม็ดหนึ่งไม่เคยปวดหัวเลยเพราะมันไม่เคยคิดเลยเราแก้ที่ต้นเหตุแต่พวกเราหยุดคิดไม่ได้หรอกเพราะเราฝึกวิชาคิดมาทั้งตลอดชีวิตแล้วถ้าคิดไม่เป็นเขาด่าด้วยไ อ, อ้โง่ คิดไม่เป็นนะจริงๆแล้วเขาเข้าใจคำว่าคิดเป็นผิดคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นคนคิดเป็นถ้าจำเป็นต้องคิดคิดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตัวตัวเองและผู้อื่นอันนี้คิดแต่เรื่องอะไรไม่รู้คิดแต่เรื่องเป็นผลประโยชน์ตัวเองตัวเองเป็นผลประโยชน์ไม่ใช่เป็นประโยชน์คิดจนเป็นไมเกรน ชุดคิดจนเป็นมะเลงเราเข้าใจภาษาผิดนะต้องไม่ใช่สังคยานาพระไทรปิวกใหม่นะต้องสังคยาณ า, าภาษามนุษย์ใหม่หมดเลยภาษาบ่งบอกนิสัยโดยเฉ่าภาษายุคนี้เป็นภาษาทุนนิยมวัถนนิยมแข่งขันเสรีเราคิดแต่เรื่องแพ้ชนะ เด็กเล่นเกมมีแต่จบที่แพ้ชนะแข่งก้าวสมาธิสั้นนะมันก็เป็นกรรมคนยุคนี้ไม่มีเวลาให้ลูกเต่าก็ให้มันเอาคอมพิวเตอร์แฮมเป็นเพื่อนนะตอนนี้ไปไหนก็หิ้วมือถือไปด้วยกดจุดตรงนั้นทั้งวันพ่อครูเล่าอะไรไม่อายนะพ่อครูคูไม่รู้จากคาว่าอายนะยี่สิบปีเป็นทาสานอยู่ที่นี่นะไม่ได้ออกไปไหนเลย พอปีที่ยี่สบเอ็ดบอกแก้วแก้วไปพาพักคูไปข้างนอกเราไปกรุงเทพแก้วพาพักคูไปนั่งรถเมยหน่อยหนึ่งรถใต้ดินรถอะไรพาไปหมดพักคูไปลงรถใต้ดินนะพักคูงงนะไอคนนี้มันเดินมามันก็เดินบ่นคนเดียวไอคนนี้เดินมาก็บ่นพักคูแก้วแก้วไอพวกนี้มันเป็นอะไรไอแก้วมันหัวเราะว่าเขาพูดโทรศัพท์นะมันเดินบ่นอยู่คนเดียวพักคูออยะเอ้มันคุยกับใคร มันเป็นบ้ากันหมดแหลแก้วมันก็หัวเราะว่าเขาพูดโทรศัพท์เขาไปนั่งอยู่ในรถไฟใต้เดินก็กดกดกดกดอยู่ตรงนั้นแหละตายแล้วมนุษย์เราเป็นอย่างนี้เหรอไม่เคยพักผ่อนเลยเราใช้ประสาทเราตลอดไม่มีเวลาหยุดเลยไม่ให้มันเดี่ยงรู้ไปมันมันเป็นมนุษย์หุ่นยนต์กันหมดแล้วนะเนี่ย <ack> อะไรล่ะผู้บริหาร TIS อ, อาจารย์สุชาตินะหลังจากมาปฏิบัติธรรมแล้วนี่แกก็ไม่อายแกก็คุยกับพวกครูว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่พบรุ่นทุกเดือนนะพอไปเจอร้านอาหารกันมาเนี่ยเนี่ยมันก็ต่างคนต่างกฎไม่ได้คุยอะไรกันเลยเขาบอกว่าเอ๊คุณเชิญผมให้มานั่งดูคุณกฎเหรอความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ไม่มีแล้ว ตอนนี้มนุษย์เป็นา่าสของมันหมดแล้วกดอยู่ตรงนั้นแหละกดแล้วบางทีหัวรอคนเดียวพูดกับอะไรไม่รู้พูดกับไอ้เครื่องมือแข็งๆตรงนี้นะเดินไปเดินมาก็บ่นอะไรอยู่คนเดียวก็ไม่รู้อนะ่ะพวกกูพวกกูงงไนอะ้แก้วหัวรอบอกว่าเขาพูดสดทั่วสัพท์มันอยู่ตรงไหนละ่ะพวกกูไม่เห็นมันถือเลยนะบอกมันเสียบอยู่ที่หูมันเออไปเป็นกันใหญ่เลยระวังนะเดี้ยง อายุเนย้อยไม่เป็นไรหรอกพอยุ่งมากขึ้นเดี๋ยวก็รู้สึกเราใช้ร่างกายเราอย่างไม่บรรยะบัรรยังมันไม่มีเวลาพักผ่อนเลยโอเคนะหยุดดีกว่าเดี๋ยวมันจะหยุดไม่เป็นเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิน